ดีมากลลยอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันได้กก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังดนใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ เข้าสู่ความรุงเรืองทั่วกันดำคู่วุ้มต้นตสู่แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบานงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น การเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบางัง ดอกช่อนั้นแบ่งบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทา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 นำเรื่องราวสาระนารู้มาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้นะครับในวันที่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยงตรีก็ไปนะตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานควบคุมจราจรในเขตกรุงเทพนะครับไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรตามสถานการณ์นะครับนะซึ่ง ก็พยายามที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากเลยครับกรุงเทพนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีปัญหารถติดระดับหนึ่งในสิของโลกเลยทีเดียวจะแก้ปัญหากันกันอย่างไรนะครับ น, ะนะยายยงตรีก็เข้มในเรื่องนี้ก็ดีนะครับลงไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะฮะให้หลายๆส่วนร่วมกันนะครว่าจะแก้ปัญหากัน กันอย่างไรนะเพื่อให้มันคล่องตัวอ่าแล้วนอกจากนี้ยังไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสนามกีฬาแห่งชาติไปสนามสถานีบางว่านะครับโดยใช้บัตรโดยสารราคา500บาทที่ทำขึ้นเฉพาะนะฮะนะก็แล้วก็มีอ่เรื่อง ก, ก็มีการมอบนโยบายนะครับว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรคือรถไฟฟ้านี่ก็ก็เสียบ่อยในช่วงนี้นะครับเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เคลื่อนคลื่นความถี่ที่มันทับซ้อน กับอของอเอกชนประชาชนเนี่ยจะแก้ปัญหากันกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงคงจะต้องมาขันนอดมาเข้มกันละครับนะซึ่งรัฐบาลมาสนใจเรื่องปัญหารถติดแถวกรุงเทพนะก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลนี่พลโทโคงชีพตันตกูลวานิชโคศกกระทรวงกาโหมนี่สแสดง ร่วมประชุมนะฮะประชุมแถลงการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5นะฮะซึ่งก็งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยงตรีเนี่ยเป็นเป็นประธานก็กำชับให้สำนัก ง, งานตำรวจแห่งชาติไปดูแลปัญหาการจราจรนะฮะที่ขับขังในกรุงเทพนะฮะโดยเฉพาะในชั่วโมงวิกฤตเร่งด่วนรวมทั้งมีการก่อสร้าง รถไฟฟ้าก่อสร้างหลายๆอย่างที่กีดขวางการจราจรเนี่ยจะจะแก้อย่างไรนะครับนะือติดติดกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับในในบางพื้นที่เราจะเห็นว่าเป็นเป็นปัญหาซ้ำซากที่ยังแก้ไขไม่ได้นะจะจะแก้อย่างไรรวมทั้งมีการจะจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องรถนำขบวนบุคคลสำคัญนะคือมีรถตำรวจนะนำขบวนหลายคันเนี่ยจะทำให้ กิดขวางการจราจรโดยเฉพาะในระดับรัฐมนตรีในระดับในคณะรัฐบาลจะต้องมีการลดลงนะครับเพื่อให้ความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนคือจราจรจะได้ไม่ติดขัดครั บ, รบเป็นการมอบหมายนโยบายจากในส่วนของรัฐบาลพยายามที่จะมาแก้ปัญหากรุงเทพซึ่ง เป็นเป็นปัญหาโลกแตกนะในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าการถติดนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องปกติของของคนในกรุงเทพมหานะคร อ, อาจจะเป็นเพราะว่ารถสาธารณะของของเรานี่อาจจะยังมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะาในในพื้นที่ที่มันแออัดนีน่การใช้รถไฟฟ้าก็ดีนะฮะใช้รถไฟรถรางคือในต่างประเทศนี่ก็จะใช้หลายๆอย่างในทางการเดินทางสาธารณะรวมทั้ง แม่น้ำลำคลองนะครับซึ่งทางกรุงเทพเราก็ถมกันไปมากก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะนำมาใช้ในการโดยสารเรือหรือคมนาคมได้นะกรุงเทพเนี่ยตอนนี้คลองนี่ถมถมกันไปมากนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอรถไฟ b t ทนะฮะก็ยังมีพบอาการเสียบ่อยครั้งนะคคนที่ไปทำงานนี่ก็กระทบล้ครับนะจะไปทำงานกันไม่ทัน นะแล้วก็จํานวนรถที่มีจํานวนมากรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมากนะครับในกรุงเทพมหาคนครก็เกิดปัญหาติดขัดจะจัดแก้กันอย่างไรล่ะครับนะเป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ล่ะครับนะถ้าแก้ได้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะมีการปรับปรุงในในเรื่องนี้นะครับนะมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะม า, าพูดมาคุยกันต่อครับในในเรื่องราววันนี้ครับ เขาหมายเมื่อคอยพี่ใจลอยไรอ้อยคงเหลือแต่สามน้อเจ้าไม่หันมาแลพี่ชะแนงนาวแทนวนุ่นตาลมนาะเอ้ยข้าเคยกอดหนาะ พาพักนางสู่กรุงไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุงสวมเพบวุงใหญ่อยู่ในเมือง t h coi fan, clap khen. มาพูดมาคุยกันกันต่อในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ในส่วนของอการเลือกตั้งในี่ใกล้เข้ามามีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามก็กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพรบรการเลือกตั้งท้องถิน่น6ฉบับว่าตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาภาคพิเศษ ที่จะทําร่างเกี่ยวกับเรื่องของร่างการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับได้มีการส่งมาที่สํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่28สิงหาคมนี้แล้วก็จะส่งให้สอชอพิจารณาต่อไปอซึ่งตรงนี้นี่ก็จะต้องมีการใช้ใช้เวลาการเล็กน้อยนะครับในการพิจรารณาแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จะต้องใช้เวลา พิจรารณานับเดือนก่อนที่จะนําทุนกล้านะครับนะขึ้นทุนเกล้าซึ่งก่อนจะประกาศใช้ก็จะตรงกับในช่วงที่มีการจัดเลือกตั้งสสแล้วครับคือคือคาดว่าประมาณปีหน้าช่วงประมาณเดือนกุมา ภ, ภาพันธ์พฤษภาเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งสสก็จะทําให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ทันอาจจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่ น, นหลังจากหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งสส เ ป, เป็นคํากล่าวของรองนายกงตรีนะครับนะว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับนะคือคนที่สนใจบางครั้งสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอการเลือกตั้งสสนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินสายของกลุ่ม3มิตนี่นะครับนะทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลก็ปฏิเสธนะรองนายกตรีประวิทย์ก็บอกเขาไม่รู้จักกลุ่ม3ามิตนะที่เดินสายเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อ อั น, นี้สอสอเข้าร่วมงานแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในวัชิเพช e ทอง o n สอสอประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจริงๆก็เป็นกลุ่มที่ประกาศสนับสนุนรัฐบาล น, นะก็น่าจะเป็นการหนุนเสริมจากรัดด้วยซ้ำนะครับนั่นเป็นความเห็นของฝ่ายประชาธิปัตย์ตอนนี้ในพรรคการเมืองใหญ่ๆนี่ก็ถูกสั่งห้ามทํากิจกรรมแล้วครับก็ทํากิจกรรมทางการเมืองไม่ได้นะก็จะมีกลุ่มอิสระนี่ที่ยังยังเคลื่อนกันอยู่นะครับทํากิจกรรมกันอยู่นะครับ เพราะฉั้นในตรงนี้นี่คงจะต้อ ง, ต, องต้องดูกันนะครับแต่ในส่วนของของรัฐบาลเนี่ยมีการาที่จะเพิ่มวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับนะีมีบอกว่าจะาเพิ่มสิทธิ์ให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับเกี่ยวกับผู้มีไรายได้ไม่เกิน3 0,000 ่นบาทต่อปีเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเงินสงเคราะห์ให้อีกเดือนละร้อยบาท นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นผู้ที่มีผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า30มหมืบาทต่อปีก็จะได้รับการสงเคราะห์เพิ่มอีกเดือนละ50บาทนะโดยในส่วนนี้เนี่ยกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการโอนงบประมาณเนี่ยเข้าไปในบัตรแล้วก็ไปใช้จ่ายนะไปแลกเป็นสินค้านะฮะพอสิ้นเดือนนี่ไปแลกเป็นเป็นสินค้าได้นะครับนะตาม ตามร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลพยายามที่จะปรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะครับทั่วทุกตำบล น, นะครเกือบทุกหมู่บ้านนะครับนะทั่วทั่วประเทศก็มาเข้าโครงการเกี่ยวกับเรื่องของสามารถที่จะรับบัตรเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปซื้ อ, อตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐตามหมู่บ้านต่างๆได้นะพยายามที่จะ ให้มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เข้ามาทางมือถือนะก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าทำได้นี่ก็จะทำให้ร้านโชว์หวยร้านค้าชุมชนนะซึ่งสังกัดกองทุนหมู่บ้านบ้าง น, นะครับสังกัดในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยนะสามารถที่จะนะรับการซื้อขายนะชาวบ้านเนี่ยมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามร้านเหล่านี้ได้ก็จะเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการกระจายนะการ ค้าขายรายย่อยเลยลงไปถึงถึงในระดับชุมชนเพราะว่าที่ที่ผ่านมานี่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถซื้อได้เฉพาะร้านที่มีอินเทอร์เนต็ตเป็นร้านสาขาขนาดใหญ่ของขอ ง, ของห้างใหญ่แล้วครับนะเงินก็จะลงไปไม่ถึงชุมชนอย่างแท้จริงนะแล้วก็ทําให้ร้านค้าเล็กๆน้อยๆในชุมชนเนี่ยจะขายไม่ได้น ะ, ะจะขาดทุนกันไปนะครับล้มกันไปมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับ มาส่งเสริมตรงนี้ก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นนะก็เป็นการทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็กําลังมีการปรับกันอยู่แลนะถ้ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะให้ชุมชนมาร่วมนะในการนะจัดโฮมสเตย์บ้างมาร่วมในเรื่องของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะแล้วก็พยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวไป ในชุมชนไปเที่ยวในชนบท ต, ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีแหละครับถ้ารัฐมาโปรโมตในด้านนี้นะก็จะทําให้มีเม็ดเงินเข้ามาไหลเข้ามาในชุมชนนะก็จะทําให้รายได้นีดียิ่งขึ้นนะครับคงจะต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายใ น, ในเรื่องของการพัฒนาเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจในระดับฐานลากไี่ฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับค ง, ต, งต้องใช้หลายมาตรการสาหรับวันนี้นะครับเวลา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 ได้ใต้แสงดาวเน็บหนาวร้าวรุ่มกายเงาอันโหดร้ายอกกอดใจไพ่รูลมโบกโวยพัดกิ่งไหวทิ้งใบร่วงลงโซดินหวังใหญ่เธอเลือเกิน หลงเพลินกลุ่มหรือไรรำร้องแทบขาดใจไม่ได้ยินแสงสีนั้นมีมนเปลี่ยนใจคนที่เป็นหินน้ำตาพี่คงไหลรินโรดินแล้วในว่ารัก ในว่าลงยืนยันมันคงไม่แปรเปลี่ยนคำสัญญาที่ไม่ได้เขียนจึงเปลี่ยนแปลงหรือจริ ง, ร ง, รงหรือไม่อยากจำคำทุกคำล้วเนเสแซ้งเจ้าใจดำซ้ำยังใจแข็งยิ่งกว่าดิ่มแล้งที่ขาดฝน วันจนน้อยใจบินไปไม่คืนรังลืมคนอยู่ข้างลังอีทั้งคนเพราะรักถึงยังรออยากจะขอร้องสักคนลับมาเทิดหน้าน้ามนพี่จนแต่จริงใจ จึงเปลี่ยนแปลงลืมจริงจริงหรือไม่อยากจำคำทุกคำล้วนเสแซรงเจ้าใจดำซ้ำยังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดฝนรอคอยชนน้อยใจบินไปไม่คืนรัง ลืมคนอยู่ข้างลังอีกทั้งคนเพราะรักถึงยังรออยากจะขอร้องสักคนกลับมาเถิดหน้านามนุนพี่จนแต่จริงใจ ฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอ